ยังไงกันบักคูฟังเทศวันนี้ถึงใจยังไงวันนี้นะถึงใจเชื่อทำไมจับใจไม่ถึงใจตอนหลับเบิ่งแล้วพจบบวะกันทร์ทำของพระพุทธเจ้าไงก็สอ น, น, ไ, น, น, ไ, น, ไ, นไม่ตรงไหนตรงไหนแม่ไมีปัญหาอะไรเลยมันเป็นมัญหาเกี่ยกับตัวพี่เหลือเนี่ยมันไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้ซึ้งอ่ะ ม, มันไปเกี่ยบปิดไปมดุดจะออกช่องนั้นมันก็จะอุดช่องไว้เพี้ยผมขอโอกาสาการเรียนเด็กคุณอาจารย์เล็กน้อยได้ไหมครับผมอ๋อว่าด้วยผมเห็นเด็กอาจารย์เลย เกีกับารปฏิบัติของผมเองครับมันติดขัดบางทีอาจจะสลงผิดไปอย่างเที่สเสด็จพระสุสริยันต์เทศวันนี้ก็ได้แต่ผมปฏิบัติมาก็นานในสถานะนั้นสมาธิยังไม่มันยังไม่มันคงครับพอที่จะติตสมองได้เล็กเกน้อยนอยก็เลยมาพิจารณาธรรมะก็รูร้สึกว่าพิจารณาอะไร เป็นปีนปีนะครับผมก็พิจารณาธรรมะก็แยกยกอยอย่างที่เป็นเด็กปฐการเท่ากันจนหมดรู้สังขารนี้เป็นปฏิกูลเป็นอนิจังเป็นทุกขังเป็นอนาศาศาัตตาแยกทั้งข้างนอกข้างในแยกทั้นหมดจนเห็นนะครับ ทีนี้เมื่อได้ทำอย่างนี้แล้วต่อมาเมื่อผมได้มาที่นี่มาได้ความรู้เรื่องสมาธิ่างที่กระผมได้กราบเรียนทีนน่เด็กกวนจันไดแล้วเอาชนะสมาธิเอาชนะเวทนาที่เกิดขึ้นมาได้ไหมสง ไ, ไ, ไ, ไ, ไงวอ๋อคือกระผม พอที่จะเวลานั่งสมาสธิพอเพี่งแค่ทำให้จิตมันสงบลงไปได้ครับหลายหลายชั่วโมองอย่างเวลานี้ก็ผมปฏิบัติอยู่ก็เที่ยงเที่ยงคืนขึ้งนจนกระทั้งสวา่างก็มีเวลาพักผ่อนตามธรรมดารพูดกันตามความเป็นจ ร, งริงแล้วก็อยู่ในระสี่ชั่วโมองจากหัวค่ำถึงสามทุ่ม นอนจากสามทุ่มถึงเที่ยงขึ้นแล้วผมก็ตื่นแล้วก็ปฏิบัติสว่างทุกๆเวลาทีนี้ในขณะที่ผมได้สมาธิการพิจารณาที่ไปผ่านผ่านมายกขึ้นมาพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่ามันมันพอยกขึ้นมามันก็รู้แล้วให้จิดใจมันว่าอย่างนี้นรู้แล้วรู้อะไรหมดแล้วมันไม่พิจาร่าเหมือนครั้งที่เรายังไม่รู้กั ผมจึงเอาสมาธินั่งเป็นประจำปัจจุบันนี้แล้วก็พิจารณาธรรมะในขณะที่เดินตรงๆบ้างในขณะที่อริยเบาอริยบุนะครับผมเอาสติจับอยู่ใ น, นอริยนี่นะครับผมต้องทำนี่จิใจก็สงบดีอยู่ตารปกติก็สงบดีครับอก็อนั่งก็เป็นผลูีแล้วนั่น อะไรทำมาเท่าไรอมันไม่กล้าหนักจะให้มันกล้าไปไหนมันก็สงบสงบของมันอยู่แล้วนั่นแหละมันก็กล้าอยู่ในความสงบของมันนี่แหละมันก็ได้ผลอย่างนั้นมันก็ได้ผลอยู่แล้วนั่นแต่รู้สึกว่าสติยังไม่่แข็งเท่มแข็งครับไม่ก็เทียมเข้มแข็งมันไปเหมือนเด็กฝึกหัดนั่งฝึกหัดโดยนั่นแหละ มือรับการมือมือก็เหมือนก็ค่อยแข็งแรงเองมันจะตื่นกันเหมือนกันก็เป็นกานว่ากับผมปฏิบัติไม่ผิดนะครับผมเฮียร์ที่ผมนั่งสมาธิตลอดคืนตลอดคืนผมไม่ได้ใช้พิจารณาเลยพายุคมะพิจารณาที่มาที่ไปก็มันมันบอกว่ารู้แล้วมันจะหลงผิดไปแล้วครับผม อันนี้จะถ้าจะท่องรู้ในจะองเองคำรู้แล้วมันก็รู้แล้วจริงๆถ้าว่ามันเป็นความหลอกมันก็ไม่น่าจะแน่ใจยอยู่ตลอดเนี่ยผมใจน่ามหมดเพราะรู้แล้วมันพวกอาการของจิตแต่มันรู้แล้วยังคพิมาเข้าไปเลยอาการของจิตที่ผมพูดกับที่นี่ย พ, พวกวรกรรมนากรรมฐานนิยมงาน มันรู้นะเรื่องของกายมันรู้ปิทัศ์จริงๆหนาะเรื่องเรื่องการท่าปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสันติสุขโภจริงมันยัง ใ, ใครบอกมันก็ไม่ะสงสัยเพราะฉะนั้นกล้าพูดว่าแม้ว่าพาระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่หน้านี่ก็มันด้ประมาทหนะาเจก็จะถามท่านทําไมก็มันความจริงอันเดียวกันนั่นถ้ายกตัวอย่างเช่นพระนัญชรพิโคไปเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังจะขึ้นไปทูลถานกรรมะ อ, อ, อ, อดีฝนตกพอเรายืนใต้ถุนพระครรภูบีฝนตกมานั่นท่านพุทธนาถทำทําขั้นละเอียดมากเลยนะเนี่มันก็เข้าใ จ, จทันทีเลยฝนตกลงมาก็ฝนจากสายคาน้ําฝนจากสายคาตกลงมาก็มาถูกน้ําที่อยู่ข้างล่างก็ตั้งเป็นต่ำขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปเพราะกระทบกันก็ตั้งขึ้นมาแล้วดับไปทั้งกระดูนี่ทั้งกระเทียบกับภายในก็คือเรื่องของตั้งขัน นั่งุงแยกแล้ดับไปปรุงแยกไว้มีเสียงกระทบพับเสียงหนึ่งเสียงภายนอกเขาเหมือน น, นํานตกมาถูกแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าอะไรอะไรมาผ่านทางหูทางตาจมูกร่างกายพอรู้แยกแยกรสชาติรสชาติก็ดับไปดับไปดับไปแล้วก็อยู่สภาพเดิมของมันของมันท่านเทียบแล้วท่านก็รู้ตรงนั้นเสียอ๋อมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่มีแม่พอรู้นั่นแต่พอรู้แล้วเมื่อผลตกอยู่ท่านเลยกัดทุกข์ไม่จะทูลถามพระพุทธเจ้าเลยฟังเนี่ย คุ่เตรียมจะคูณถามไปแล้วก็จะถามปัญหาจุดนี้พอไปว่าผลไท้ได้ฟังเลนั่นแหละทำตรงนี้ทุกอย่างตรงหนษ์สติปัญญามีจับได้หมดนะพอจะพูดอย่างนั้นแต่ในปริยาต้างพูดไม่ละเอียดเออะไรมากมั่งเนี่ยไปเห็นฝนตกเราพิจานณาดูฟองน้ำกับน้ำฝนคืมันกระทบกันนั่นแหะท่านเลยบรรลุธรรมเสียลว่าหั่นี้เราก็ปฏิบัติดีแล้วเคยปฏิบัติดีแล้วด้วย พอคุยกันมันก็เข้าถึงกันปุ๊บคันเท่เลยเพราะว่าสิ่นั้นมากระทบสิ่งนี้มันกระทบอะไรมันกระทบกับตามมันก็ถับแต่ไม่รู้ทีนี้อาการทั้งจิตที่เกิดขึ้นโดยลาพังตัวเองที่ไม่มีอะไรมากระทบกับตามมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปท้้งมันท้างมันมันก็มีเท่านั้นนั่นเป็นทั้งมันอย่างนี้เจ้าสาระแล้วกับมันพูดง่ายๆมันก็มารู้นสิ่งนี้ลุ้นเข้าไปถึงราก่านทั้งมันน่าก็บรรลุธรรมะ นกลับไปเสี้ยไม่คุณถามว่าคุณเจ้าือเวราเวลาเราเรียนมันก็เรียนไปงั้นแลมันไม่ได้ฟิตเวลาปฏิบัตินี่โ้มันเท้ามาหมดลรวธรรมะาที่ไหนไหนเรียนมหนนัน้อยแล้วท่านอะไรท่านมานะหรืออะไรคือเราถามธรรมะเมื่อวานเนี่ยถามมาที่วันนี้เป็นไงให้หมู่พ่านฟังบ้างสิ องค์กินคนเดียงจะให้ผมกินด้วยผมไม่กินนะเอ้ามาไมี่ันี้มีโอกาสที่จะพูดนะเป็นยังไงฮะมาช้าช้านาเขาบกอกบอกหูผมไม่ใช่หูกระต่ายอมาหูคนเนี่เวลาคนเวลาคนมีความอยากประกาสให้โรวันี้เ เป็นแบบไหนแค่ที่นี้มันมันก็ไปรู้เสียงนั่นเหนือบทไหนก็บทไหนว่าใะี่จังโคครับท่านผมตอนนั้นผมก็ไปออกไปคืนครับว่าเมื่อพวกมันเที่ยพวกันเทีทงมมีปหารก็ย่งผมว่าพิจาอีกสามวัน ถ้าเขาปุ๊บผมต้องานพวกผมเาขั้นสาษาขั้องขันมางหื้ไนไม่ทําเร็จมาแล้วห้เลยนี่มันมักจะเป็นนะเดี๋ยวจะเป็นกรมานอีกวีอย่งที่ผมเคยพูดอย่างใช้ความแล้ข้อสื่อคำพูดคำจาว่าอะไรมันไม่น่าพูดพูดออกมาทาไมกับใครก็ตาม ดูสิของมันชัดเจนเมื่อมันชัดเจนแล้วความอยากพูดไม่มีนอกจากเหตุผลที่คนจะพูดหนักเบามากน้อยมันก็พูดไปตามหนักตามเบาตามมากตามน้อยรู้อยๆเอาออกหมดทั้งคงนี้ก็ออกได้นี่เมื่อเหตุผลมันพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นการเหตุผลไม่พร้อมมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละการรู้ทำการเห็นทำการอยู่โดยธรรมไม่อยู่โดยจิตถ้าอยู่โดยจิตมันอยากมันหิวมันโหยอะไรทุก่งทราบว่านั่นแหละตัวเนี่ย เคยเป็นเรื่องผิดมันถึงกันคือมันอัศจรรย์กจ้ของอะไรนะขั้นนั้นเนี่ยเป็นขั้นขัญมันก็อยากจะพูดให้กลมัวกับเพื่อนฟังอะไรนะอยากเง้ยผมมันนั่ก็จะเป็นมีนัยนิสัยเของเนี่ยมันพอว่านิสัยก็ดีกว่ามันไม่ได้พูดง่ายๆนะว่างันเลยนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมากขนาดไหนผมไม่จะพูดในเรื่องของผมเฉยเมืองหนึ่ง ถ้าขึ้นาหาพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วมีเท่าไหร่นั้นออกของมันถึงถึงถึงอะไรก่นนะพอลงมาแล้วหายมัอย่างมันไม่มีนะท่า น, นเราคุ้นที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของผมเวลาโตกับพ่อแม่ครูอาจารย์นังหนักบางทีคือมันไม่ลงกันในเหตุผลมันลงไม่ได้มันก็ต้องถกกันนะ่ะเพราะทกด้วยเพื่อความรู้ความเข้าใจาไม่ได้ถกด้วยที่ถิม่มานั่นนะี่ชาวเจ้าพูดตามบุญบรรดาลูกศิษย์ลูกหาังหลายไม่มีใครที่จะดื้อยิ่งกว่าผมแล้วกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ห้าทอกันซะนเสียงลั่นเงียบเงียมคืนไม่ดึกเงนพัดแตกมาต้งวัดค่างค้างเป็นอย่างนั้นกลางวันก็เหมือนกันบางทีแอบมาข้างหลังพุทธีขึ้นไปสองถ้าสองนั้นแหละเวลามีสองสามสี่คนไปแล้วผมไม่พูดหรอกเพราะท่านก็รู้ด้วยนะรู้นิสัยเราด้วยเพราะมีท่านไม่ถามนะถามผมถ้ามีสองสามองค์ชีวิตไปแล้วท่านไม่เคยถามผมมาเป็นยังไงนี่ไม่เคยถามถ้ามีสองสองไม่ท่านก็เราขึ้นก่อนเลย ขึ้นเลยอ่ะปั๊เลยเอากันเลยเพราะมันอาจฐานนี่แต่ก่อนมันก็มาอาจแต่แล้มันรู้แล้วมันอาจฐานเนทั้งภาพปฏิบัติทั้งความรู้ที่มันเป็นขึ้นมาอย่างที่เคยพูดเ่องนั่งตลอดลุงท่านก็รู้ในสายผมมาตั้งแต่บัดนั้นแหละถ้าถ้าจะพูดเฉิบเฉินนะเผลบเฉินโดยสายหูรายตาเพราะแต่ก่อนผมไม่เคยมีอะไรก่อนนี้เแบบเหมือนภาพเมื่อเนิ่นั้งหลา ไม่ยากเราก็เจ็บเรียบร้อยไม่มีไม่มีลักษณะขึงถังตึงตังแต่เวลาไดนั่งตลอดลุงเช้ามันเห็นความแปลกประหลาดอัศจารย์ทั้งวิธีการต่อสู้ทั้งความรูกก้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้แล้วโอ้มันอศัศจรรย์อืมขึ้นถึงท่านเลยครับจราบเรี้นแล้วก็ถึงเลยเชียร์ทนี้ท่านก็คงฟังโอ้ยินเ ม, มันมาเล่นเนี่ยทท่านก็ใส่มาเปียงเลยไมนถึงใจถึงใจนั่นงจากนั้นมามันก็เลือดเลยที่นี้นะเพราะมันมี หลักของมันภายในใจเรนะรู้นั้นรู้นี่คุณหลักปรับเรียนกันอันไหนท่า ไ, ไม่ถูกท่านก็ว่ามาว่ามาเ่ามันยังเหตุผลยังไม่พอมันก็ต้องสู้ท่านคือค้านท่านพูดยังไงนะท่านก็ใส่มาปาั๊บพอมาลงได้สัดส่วนลงพรบผู้หมอปอั๊บหยุดทันทีน่ะถําไม่มาเกิดที่เกิดขึ้นภายในใจทําไมจะไม่หานมามแม้แต่เด็กเข้าไปเห็น ไปได้ยินเรื่องอะไรอะไรมาด้วยหูด้วยตาเขาเองเขายังอาจหานพูดนี่วะเขาพูดได้อย oh, ่างเป็นตุกเป็นตาจริงจริงเด็กพูดเรื่องนั้นภาษาเป็นภาษาเดียวกันที่เดี๋ยวจะรู้เรื่องรู้ราวแต่เห็นก็ตาเด็กก็ตาคนเนี่ยมันก็เห็นท่าเจ็บเมื่อพูดได้เป็นตุกเป็นตาไปค้านมันได้ไงอันนี้เหมือนกันทำของจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลารู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นมันอาจหานเมื่อถึงขั้นไม่พูดไม่ถามถามสมัยเนี่ยมันก็อันเดียวกันอีกแหละถามทนาอะไร ความจริงมันอันเดียวกันเนี่ยเหมือนกันแตถามท่านก็ถามเราที่เราสงสัยไม่ได้นี่เราไม่สงสัยไรแล้วจะถามท่านอะไรเนี่ยมันก็หมดท่านนี้เราก็เคยนี่พ่อแม่ครูอาจารยพูดกับยกมือขึ้นนี่นะรูกระสาทุ่มอะไรประมาณองขุนเจ้าท่านวางนี่แม่พระองค์กระชากอยู่ตั้งหน้าก็ไม่ถามท่านวางอยู่ท่านเด็กนั้งท่านนี้ใส่ท่านเด็กถามท่านทำไมท่านวางเงยไม่ใช่บ้าเนี่นะทําะไรไม่ใช่บ้าทำอะไรเป็นบ้ารู้ตามทำแล้วไม่เป็นบ้านอกจากรู แหกแนวนั้นมนันบ้าได้ท่นบอกเนี่ยท่านพูดท่านมีข้อแม้ของท่านมีข้อแยกของท่านถามท่านอะไรอท่านก็ส อ, อนถึงความจริงเมื่อมันถึงความจริงตามท่านมาแล้วจะถามท่านอะไรมันมีใครถามใครแหละนีม่มันก็เป็นเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่าะอใครจะว่าบ้าก็บ้าเลยว่าไปเลยอยากว่าปากใครมีก็ว่าไปเลยความจริงมันไม่อยู่กับปากนั้นนะมันอยู่กับใจที่รู้ต่างหาก เท่านั้น น, นะวันนี้น่าเหนื่อยล้วไปละนั่งเลย